Thank you. เชื่อว่าพวกเราที่นี่มาวัดป่าสุกโตก็เพราะว่าปรารถนาความสงบหลายคนนะก็คงรู้ว่าที่นี่นะไม่มีนะวัตถุมงคลจะใหนะ้หรือว่าก็ไม่ได้มาเพราะว่าหวังจะมาเอาบุญนะที่จะทำให้นะร่ำรวย ประสบความสําเร็จในการงานคนที่ปรารถนาอย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไปที่อื่นที่เขาจะให้ความหวังในลักษณะนั้นได้มากกว่าส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็เพราะว่าความไม่สงบเนี่ยมันมันผลักให้เรามาหาเรือเป็นเพราะว่าความสงบของที่นี่เนี่ยมันจึงดูดเชิญชวนให้เรา ถ้าหากว่าเราปราศนาความสงบนะและความสงบที่เราปราศนานี่ก็คือการไม่มีเสียงอุงกทึกคโครมหรือว่าไม่มีความวุ่นวายที่นี้ก็มีใหนะ้แม้จะไม่ถึงกับ สงัดนักนะแต่ว่าเราก็มีความสงบนะไม่มีความอึกระทึกคึกโครมนะไม่มีความวุ่นวายหรือแม้กระทั่งความเร่งรีบนะที่นี่เรามีให้แต่ก็ต้องเผื่อใจไว้นะว่าแม้จะมาพบกับความสงบสงัดที่นี่ ไม่มีความอึกทึกคืึกโครมไม่มีความวุ่นวายแต่ว่าใจเราอาจจะไม่สงบก็ได้ไอความไม่สงบที่ใจเนี่ยนะมันมันเป็นปัญหาของผู้คนนะมากกว่าความอึกทึกความวุ่นวายจริงอยู่นะโลกภายนอกเนี่ย มันมีความอึกทึกมันมีความรุนไบเยอะเดี๋ยวนี้จะหาที่ที่มันไม่มีเสียงอึกทึกไม่มีเสียงามารบกวนนี่ยากนะโดยเพพาะในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆแม้จะหลบเข้าไปอยู่ในบ้านมันก็มีเสียงดังจากเทคโนโลยีต่างๆโทรทัศน์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือ อย่างนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยนะไอ้ที่จะปราศจากเสียงริงโทนเสียงโทรศัพท์นะยากแม้แต่ในชนบทหรือเพอเก็แม้แต่ที่นี่ลวป่าสุกโตเมืองไทยเนี่ยโดยพาะเมืองใหญ่ๆ ห, หรือแม้แต่ในหมู่บ้านเนี่ยชาวต่างประเทศโดยเฉพาะที่มาจากตะวันตกหรือว่ามาจากญี่ปุ่นก็ตาเนี่ย เพต้องคอสังเกตว่าเสียงดังมากยิ่งกรุงเทพฯดยแล้วเนี่ยไม่ว่าตรงไหนตรงไหนเสียงดังอึกทึกกลางค่ำกลางคืนก็ไม่เว้นเวลาไปเมืองนอกเนี่ยยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมีความสงบมากเสียงรบกวนบีน้อยยิ่งกลางคืนแล้วนี้ก็จะสงบแต่ว่า ผู้คนเหล่านั้นเนี่ยในประเทศเหล่านั้นเนี่ยก็ยังหาความสงบไม่ได้นะหลายคนก็ถึงกับข้ามน้ำข้ามทะเลมาเมืองไทยมาทำอะไรนะก็มาหาความสงบใจความอึกทึกนะเสียงดังความวุ่นวาย เขาก็เจอนะเจอมาเยอะหรือแม้ไม่มีเสียงอุกทึกขึ้นโครมเลยแต่ว่ามันก็มีความวุ่นวายวุ่นวายที่ไหนวุ่นวายทั้งภายนอกและภายในวุ่นวายใจไอ้เสียงดังเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความไม่สงบที่เล็กน้อยมากเมือ่อเทอยบกความไม่สงบชนิดอื่นนะนะความวุ่นวายใจไอ้สิ่งเหล่านี้แหละที่มันผลักดันให้คนเนี่ยออก มาสแสวงหาบางทีก็ไม่รู้สแสวงหาอะไรแต่รู้ว่าอยู่ที่เดิมไม่ได้อันนี้ก็มีมานานแล้วนะไม่ใช่เฉพาะมีเฉพาะสมัยนี้ที่ฝรั่งออกมาสแสวงหาความสงบในจิตใจในเอเชียในอินเดียหรือว่าประเทศไทยสมัยพุทธกาลเนี่ยสอั 200, ปีก็มีคนที่ ทิ้งความวุ่นวายหนีความวุ่นวายออกมาหาความไม่วุ่นวายแต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแต่ว่าขอหนีมาก่อนอย่างที่มีชื่อเนี่ยคือพยัสสานะอันนี้ก็มีเรื่องราวจะลึกไว้ในสมัยพุท ธ, ธากาลพยัสสานี่เดิมทีก็เป็นลูกเศรษฐีนะ เศรษฐีนี่ร่ำรวยมากร่ำรวยพอๆกับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือพระเจ้าสุโทโโธทนะคือมีประสาสามหลังยัสสนี่มีประสาสามหลังประสาสามฤดูมีสิ่งปลนเปลอความสุขไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ่งกาย วันๆก็ไม่ต้องทำอะไรนะก็มีสิ่งบำรุงบำาเรออ่าคืนหนึ่งเนี่ยนะหลังจากที่ได้ดูการลเล่นฟ้อนรำจนดึกดื่นนะขณะที่นางระบำนางฟ้อนทั้งหลายเรียกว่าต่างพากันอ่อนเพลียนอนนะเกะกะนะนอนกายกันคือเรียกว่า ฟอ้องรำเป็นตเพลียนะก็ไม่อยากไปไหนก็นอนกันตรงนั้นแหละยสาหเห็นสภาพนี้แล้วก็ปรงที่จริงคงมีความว่าบุนข้างในอยู่แล้วยิ่งไปเห็นสภาพนะที่นางระบาทั้งหลายนอนกายกองกันตามเรื่องก็ว่าเหมือนกับซากศพ อันนี้คล้ายกับฉากวันคืนสุดท้ายนี่ที่เจ้าชายสิทธัฐถะเนี่ยจะเสด็จบรรพชายักษ์ก็เหมือนกันนะก็เลยเดินออกมาอย่างคนที่ไม่มีจุดหมายแล้วก็พูดขึ้นมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอลมพึงขึ้นมา สะท้อนถึงความรู้สึกภายในใจนะมุ่นวายขัดข้องมันนะม น, น่าเบื่อหน่ายก็เดินสแปสะสปะไปเรื่อยนะบ้า น, นี่ปราสาทนี่ก็อยู่แถวๆนครพารณาณสีก็เดินไปไกลทีเดียวนะจนทัางไปถึงป่าอิสิปตนามุรคตัยวันถ้าวัดเอ า, อานี้ก็สิบกิโลเนะี่ยสิบสีกิโลนะพารณาณสีเนี่ย แต่อยู่ชานเมืองพระพุทองค์เนี่ยทรงนะทรงบำเพ็ญ น, น ะ, ะบำเพ็ญไกล ก, กิจอยู่ตรงนั้นพอดีคืนนั้นได้ยินเสียงเนี่ยที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอก็เลยจัดว่าเนี่ยที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็ทำให้ยศสาเนี่ยเกิดความสนใจขึ้นมาว่ามันมีด้วยหรือ นะที่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องให้สังเกตนะตอนที่ยาศานี่เราอาจจะพอจินตนาการได้ตอนที่ยาศานี่เดินออกมาจากปราสาทเนี่ยเป็นกลางค่ำกลางคืนซึ่งเงียบสงบนะมันสงบสงัดมากผู้คนนอนหลับกันหมดแล้วไม่มีเสียงดนตรีไม่มีเสียงประโคมแต่ว่ายาศาไม่มีความสุขเลย ไม่มีเสียงอนกระทึกรบกวัวแล้วแต่ก็ยังไม่มีความสุขเพราะอะไรเพราะหาความสงบในจิตใจไม่ได้แต่พอพู้เจ้าเนี่ยทักเช่นนั้นเนี่ยก็เกิดความสนใจขึ้นมาก็เลยสนทนาธรรมกันในสื่อพระองค์ก็แสดงธรรมให้ยัตสระเนี่ยดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบัน แล้วก็เช้าวันนั้นหรือตอนสายเนี่ยก็บวชแล้วก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ที่ยกขึ้นมาเรื่องพยัตสศก็เพื่อชื่อเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความเสียงดังเสียงกระทึกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นปัญหาของผู้คนมากเท่าไหร่ที่มันเป็นปัญหามากกว่านั้นคือความไม่สงบในจิตใจ ไอ้ความเสียงดังภายนอกเนี่ยมันยังไม่เท่าไรนะความไม่สงบในจิตใจส่วนหนึ่งก็อาจจะเกิดจากความวุ่นวายภายนอกนะชีวิตที่เร่งรีบนะชีวิตที่ต้องดิ้นรนแสวงหาไ ข, ขว่คว้ายิ่งสมัยนี้เนี่ยนะก็กระตุ้นให้ผู้คนแสวงหากันดิ้นรนกัน กระเสือกกระสนก็ว่าได้ได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอยังไม่สามารถจะเติมเต็มจิตใจได้ไอความรู้สึกพร่องในจิตใจเนี่ยมันทําให้คนต้องกระเสือกกระสนดิ้นรนแสวงหาครั้งแล้วครั้งเล่าได้มาแล้วก็ดีใจชั่วคราวก็นึกว่าจะพอใจแล้วคิดว่าจะเติมเต็มแล้วแต่ก็ยัง ไม่รู้สึกอิ่มเอมสักทีก็คิดว่าเป็นเพราะยังยังมีไม่พอนะยังได้ไม่มากพอก็เลยต้องดิ้นรนอีกเมื่อคนหิวนะคนหิวก็ต้องกระเสือกกระสนเพื่อหาอาหารมาใส่ท้องแต่ว่าความหิวในที่นี้เนี่ยมันเป็นความหิวในจิตใจไม่ใช่ความหิวในท้องเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยนะต้องหาอะไรมา เติมเต็มติตใจซึ่งคนส่วนใหญ่ก็นึกว่าเป็นเงินทองแต่ยิ่งกระเสือรสนยิ่งดิ้นรนเท่าไหร่ก็ยิ่งเหนื่อยยิ่งร้าและความรู้สึกหิวโหยหาข้างในก็ไม่ได้ลดลงเลยบางคนหาจนตายก็ยังไม่พบว่ายวไม่พบความอิ่มเอมหรือว่าเต็มเติมเต็ม ทังนี้เพราะเขาไม่รู้ว่าไอ้ความหิวข้างในใจเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากการที่มีไม่พอแต่เป็นเพราะสงบไม่พอต่างหากมันต่างกันเยอะนะมีไม่พอกับสงบไม่พอเนี่ยให้มีไม่พอเนี่ยมันต้องต้องดิ้นรนกระเสืกกระสนหามาให้ได้แต่การทำเช่นนั้นยิ่งกลับจะยิ่งทำให้รู้สึกหิวโหยมากขึ้น เพราะว่ามันเจอแต่ความวุ่นวายความสงบที่สแสวงหาก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆมีไม่พอเนี่ยมันทำให้เราต้องดิน้นรนแสวงหากระเสือกกระสนแต่ถ้ารู้สึกว่าสงบไม่พอเนี่ยมันทำให้เราหยุดเพราะว่าขืนยังดิน้นรนต่อไปคือยังกระเสือกกระสนต่อไปเนี่ยความสงบที่หาก็ยิ่งอยู่ห่างไกลมากขึ้นมันต้องหยุดนะต้องหยุด แต่ว่ามันไม่ใช่แค่อยู่ที่ที่กายนะเพราะว่าแม้ากายจะไม่ทำอะไรใจก็อังไม่สงบได้เพราะมีความว้าวุ่นอยู่ข้างในก็ได้เรามาที่นี่เนี่ยนะก็อย่างที่บอกนะที่นี่ก็มีความสงบเงียบนะของสิ่งแวดล้อมนะให้กับเรา ชีวิตที่นี่ก็ไม่วุ่นวายเท่าไหร่แต่ว่าเรามาที่นี่แล้วลงมือปฏิบัติแล้วอาจจะเจอความวุ่นวายในจิตใจก็ได้นะความวุ่นวายที่เกิดจากจิตที่มันคิดฟุง้งนซะ่านเกิดจากอารมณ์ที่มันประทุประทังนะประทุที่เกิดจากการกระทบกระทั่งไอ้ตรงนี้แหละคือ ความไม่สงบนะที่เป็นปัญหามากที่สุดนะเสียงดังภายนอกความวุ่นวายภายนอกนี้ไม่เท่าไรแม้จะไม่มีเสียงดังภายนอกนะไม่มีความวุ่นวายภายนอกนะแต่ที่คนเนี่ยทนไม่ได้ก็คือความไม่สงบภายในนะจะเรียกว่าความวุ่นวายภายในก็ได้ส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากสิ่งเรานะสิ่งเราภายนอก ทุกวันนี้มีสิ่งเราเยอะมากนะแต่สิ่งเล่านี่ยังไม่ใช่ปัญหานะมากเท่ากับใจนะที่มันฝันฟุ้งหรือว่าคิดฟุ้งปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาอุตสาห์นีจากบ้านหรือทิ้งบ้านมามาอยู่วัดนะมาอยู่ในป่าตั้งใจจะหาความสงบนะก็พบแต่ความสงบภายนอก แต่ว่าความสงบภายในเนี่ยยังควานหาไม่เจอก็ต้องเผื่อใจไว้นะนะหลายคนมาด้วยนะความตั้งใจว่าจะพโกความสงบนะและคิดว่าถ้าหากมาอยู่ในที่ที่ ท, ที่มันไม่มีเสือ่อทึบคือโครมนะไม่มีความวุ่นวายแล้วจะพโกความสงบได้ มันก็พบได้แต่ความสงบภายนอกนะแต่ความสงบภายในอาจจะไม่เจอการภาวนาที่นี่เนี่ยเราไม่ได้มุ่งเน้นที่ความสงบภายในหรือความสงบยอย่างที่เราเข้าใจเท่านั้นบางคนคิดว่าออจะมีความสงบภายในได้เนี่ยก็ต้องนะหลับตาแล้วจ้องอุดหูไม่รับรู้อะไร หรือว่านั่งนิ่งๆอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของหลายคนรู้อยู่นะว่าสงบภายในหรือในจิตใจเป็นเรื่องสำคัญแต่คิดว่าเนี่ยมันต้องปิดตานะต้องนั่งนิ่งๆแล้วถึงจะพบความสงบในจิตใจได้มันก็มีเหมือนกันนะเป็นไปได้แต่ว่าก็อาจจะเป็นความสงบแค่ชั่วคราว พอลื่มตาขึ้นนะลุกขึ้นมาไปเจอผู้คนบางทีสนทนากันแค่ไม่กี่ประโยคความว้าวุ่นในจิตใจก็เกิดขึ้นความสงบแบบนี้เนี่ยนะมาเป็นความสงบที่เกิดจากการไม่รับรู้ความสงบเพราะไม่รับรู้ไม่รับรู้ทางตาไม่รับรู้ทางหูโดยการควบคุมเสียงไม่ให้ดังมากระทบ นะถ้าเป็นที่บ้านก็อาจต้องอยู่ในห้องแอร์นะปิดประตูหน้าต่างรวมทั้งสกัดกันไม่ให้มีสิ่งร้าจากภายนอกเช่นปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์บางทีก็ปิดไฟด้วยนะให้มันมืดๆนะหลายคนก็คาดหวังนะว่าเออมาปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ที่นี่เนี่ยเรา อย่างที่ทราบดีนะเราปฏิบัติเนี่ยแม้ขณะปฏิบัติในรูปแบบนะตาก็ไม่ปิดเราลืมตาแล้วก็ไม่ได้นั่งนิ่งๆ น, นะแต่ว่ายกมือนะเป็นจังหวะเพราะอะไรนะเพราะว่าสิ่งที่ต้องการสร้างคือการสร้างตัวรู้ให้เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งที่ความสงบนะไม่ได้มุ่งที่ความสงบเดยเพราะความสงบที่เกิดจากการไม่รับรู้ สงบเนี่ยถ้าหากว่าปราศจากตัวรู้รองรับเนี่ยมันสามารถจะเป็นสามารถไปเพิ่มความหลงให้ก็ได้นะสงบเพราะหลงเนี่ยนะมันมีมันมีเยอะแล้วคนสงบเพราะหลงนะซึ่งส่วนก็เกิดจากการที่พยายามไม่รับรู้อะไรความสงบที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นความสงบชั่วคราวแต่พอไปรับรู้ เห็นภาพทางตานะเห็นได้ยินเสียงนะที่ไม่ถูกใจความว้าวุ่นภายในก็เกิดขึ้นทันทีจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะว่าแม้ว่ารอบตัวเราจะไม่มีเสือกึกทึกเลยจะไม่มีความวุ่นวายเลยนะแต่ว่าความสงบก็เกิดขึ้นกับจิตใจเราไม่ได้เพราะมันมีความคิดฟุ้งซ่าน ความคิดฟุ้งซ่านนี้เกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรนะถ้าจะพูดอย่างสรุปง่ายๆคือเป็นเพราะหลงหลงมันเผลอไปเผลอไปก็เลยนะคิดฟุ้งปรุงแต่งแล้วเราก็เผลอบ่อยซะด้วยนะลองทดลองดูก็ได้เราตั้งใจว่าเนี่ยเราจะอยู่นิ่งๆนั่งนิ่งๆโดยที่ไม่คิดอะไรเลยห้านาทีหรือว่า เอาห้าทีอาจจะมากไปก็ได้ตั้งใจว่าจะไม่คิดอะไรเลยหนึ่งนาทีแล้วลองดูเชื่อว่าเราทาได้ไหมไม่ถึงนาทีบางทีสาสิบวินาทีนี่ก็เผลอไปแล้วแม้เราตั้งใจนะตั้งใจควบคุมความคิดไม่ให้มันคิดในเวลาหกสิบวินาทีแต่ไม่ทันถึงครึ่งนาทีเลยมันไปแล้ว มันไปไหนนะมันไปอดีตบ้างไปอนาคตบ้างเป็นนึกถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วเป็นนึกถึงสิ่งที่กงมาไม่ถึงเพราะอะไรเพราะหลงนะและหลายคนเนี่ยนะยิ่งพยายามที่พยายามบังคับจิตไม่ให้คิดมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งฟุ้งมากขึ้นนะไอ้ความพยายามที่ว่าเนี่ยส่วนมันก็เกิดจากความหลงนะ คือพอไม่รู้ตัวก็พยายามไปบังคับกดข่มความคิดที่มันเกิดขึ้นการปฏิบัติที่นี่เนี่ยเราไม่ได้ในเรื่องการไปบังคับจิตให้หยุดคิดมันจะได้สงบข้างในเสียทีนะไม่ใช่ไปบังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่านนะแต่ว่าเราจะเพิ่มกำลังให้กับตัวรู้มากขึ้นนะให้ตัวรู้เนี่ยมันมีกำลัง จนกระทั่งไปรู้ทันความคิดที่ฟุ้งซ่านนะไม่ได้ไปกดข่มมันนะให้มันหยุดคิดหรือว่าไม่ใช่ไปหาทางไปควบคุมสิ่งภายนอกเพื่อว่าจะได้ไม่มีสิ่งเล้ามากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไม่ใช่เป็นการปิดการรับรู้นะ ปิดตานะอุดหนะูแต่เราจะเน้นการสร้างตัวรู้ขึ้นมาในใจให้รู้ทันนะเวลาใจมันเผลอคิดไปเวลาเผลอคิดไปทีไรเนี่ยรู้ทันเมื่อไหรน่นี่ความคิดมันก็ดับนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้เนื่องจากความหลง แต่พอลงหายมีรู้มาแทนที่นะมันก็อยู่ไม่ได้นะก็เหมือนกับไฟนะมันก็ต้องการออกซิเจนมีออกซิเจนเมื่อไหร่เนี่ยไฟมันก็ยังลุกโผรงอยู่แต่พอเราทำให้ออกซิเจนมันหายไปไฟมันก็ดับเองนะการดับไฟเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เ น, น้นนะว่าจะต้องอไปพ่นน้ำ ฉีดน้ำใส่กองไฟเพียงแค่คุมไม่ให้ออกซิเจนเนี่ยก็ไปเลี้ยงกองไฟเนี่ยมันก็ดับเองใจมันฟุ้งเนี่ยนะปรุงแต่งนะเพราะความหลงจากความคิดที่ปรุงแต่งมันก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาซึ่งอารมณ์เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้จิตใจว้าวุ่นรุ่มร้อนนะ เราลองนึกถึงเหตุการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตเนี่ยความเศร้าจะเกิดขึ้นหรือไม่ใช่นะั่นก็กลายเป็นความโกรธความขุ่นเคืองหรือความคับแค้นนี่รอยความที่มาไปปรุงแต่งอารมณ์แล้วเมื่อเกิดอารมณ์ขึ้นมันก็ปรุงแต่งความคิดทําให้คิดใหญ่เลยพอโกรธใครสักคนเนี่ยจะไปขุดก็จะขุดคุยนะประสบการณ์ในอดีตที่เคย มีกับคนนั้นเราจะไม่พอใจเขาเริ่มต้นด้ไม่พอใจเขาในบางเรื่องแต่ว่าพอกกรวเขาเนี่ยเราก็จะไปขุดคุ้ยเรื่องอื่นๆมาด้วยนะเพื่อไปรองรับสนับสนุนหรือว่าไปเพิ่มความกรธให้มากขึ้นอันนี้เรอาอารมณ์ก็ไปปรุงแต่งความคิดนะความคิดก็ปรุงแต่งหรือทาให้เกิดอารมณ์อารมณ์ทำให้ความคิดเนี่ยมันเรียกว่าฟุ้งมากขึ้น ทั้งหมดนี่เกิดขึ้นเพราะว่าหลงทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่เราจะทําคือว่าไม่ใช่ไปคุมจิตไม่ให้คิดไม่ใช่ไปกดข่มอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่เพื่อให้รู้ทันแค่นั้นอ่ะเมื่อรู้ทันเมื่อไหร่รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์เมื่อไหร่มันก็จะดับหายไปเหมือนไฟที่มันไม่มีออกซิเจนหล่อเลี้ยงนะมันก็ดับไป การจลสตินี่เรามาเน้นที่ตรงนี้เน้นที่การสร้างตัวรู้ให้มากขึ้นนะซึ่งมันก็ทางานนะโค้กคั่วไปกับสตินั่นแหละสติคือไม่ลืมสัพปพปัญญคือไม่หลงเวลาเราพูดว่าตัวรู้เนี่ยเราก็หมายถึงสัพพัญญคือรู้ตัวาการปฏิบัติที่นี่เนี่ยนะหลายคนอาจจะแปลกใจทาไมไม่หลับตาทาไมไม่นั่งนิ่งๆจิตใจมันไม่ได้สงบ สงบอย่งงางนั้นมันเป็นสงบชั่วคราวสงบเพราะไม่รู้แต่คนเราเนี่ยถึงไงก็ต้องลืมตาถึงไงก็ต้องลุกไปทำงานต้องเดินต้องขยับขยื่นถ้าเรารู้จักแต่สงบเพราะว่าไม่ขยับขยื่นสงบเพราะปิดตาความสงบที่เกิดขึ้นก็เป็นความสงบชั่วคราวแล้วพอลุกขึ้นมาลืมตามีสิ่งมากระทบมีสิ่งเราภายนอกมาทาให้ใจกระเพื่อม มันก็จะฟุง้งมันก็จะว้าวุ่นขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีตัวรู้นะมีความรู้รู้ทันหรือว่ารู้ตัวตัวรู้นี่มันเริ่มต้นด้วยการรู้ตัวก่อนนะคือรู้ตัวว่าเผลอคิดรู้ตัวว่าเผลอฟุ้งไปละให้ความรู้ตัวนั่นแหละก็ทำให้ให้ความฟุงม้งซ่านความคิดและอารมณ์มันดับไปและความสงบก็เกิดขึ้นในจิตใจ แม้ว่ารอบตัวเราอาจจะยังมีเสียงดังอาจจะมีสิ่งเล้าภายนอกหรือแม้แต่มีความวุ่นวายแต่ว่าในใจไม่วุ่นวายนะเพราะว่ามีความรู้ตัวทั่วพร้อมนะที่ช่วยรักษาจิตให้สงบเพราะมีสตินะที่ช่วยปกป้องรักษาใจไม่ให้อารมณ์ต่างๆเข้ามาครอบ ง, งำนะเพราะฉะนั้ น, นในการปฏิบัตนินี่เราก็วางใจให้ถูกนะ เราปรารถนาความสงบเรามาที่นี่นะทิ้งบ้านมาไกลเราคาดหวังความสงบแต่ความสงบที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่ใช่เป็นความสงบที่มันจะช่วยเราได้อย่างแท้จริงก็ได้หรือวิธีการที่จะทำให้เราสงบเนี่ยที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีการที่ทําให้เรามีความสงบอย่างแท้จริงก็ได้ลองนะ เปลี่ยนจากการสวงหาความสงบนะมาเป็นการเพิ่มตัวรู้หรือาสร้างความรู้ตัวให้มากขึ้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะกับใจก็รู้ไปหมดอย่างนี้ดีกว่าการที่เราไปพยายามไปควบคุมมันไม่ให้คิดไม่ให้ฟุง้งเอาชานี้ก็พิเกิดเท่านี้นะกราบพระ